เริ่มต้นของเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราชักันแล้วค่ ะ, ะดังนั้นเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ก็คงจะมาพบกับตัวทิฉันเองนะคะซึ่งก็จะได้มีโอกาสมาสนทนาซักถามสนทนาธรรมะหรือที่เรารู้จักกันว่าสากั์ชากับท่านพระอาจารย์ไพบูลอภิปุนโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปรีกเลนตามพุทธโอษหรือพุทธวจนะของ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะค ะ, ะสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบกันแล้วว่าสาวอาทิตย์ก็คงจะได้มาสากักการาหรือว่าดิฉันก็จะมาซักถามแทนท่านผู้ฟัง สําหรับในรายการธรรมารับรุนนี้ซึ่งวันปกตินั้นก็คงจะได้รับฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนพระอาจารย์ของเรานั้นท่านได้พูดคุยธรรมะในประเด็นที่แตกต่างกันไปนะค ะ, ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญปานสาธุเจ้าค่ ะ, เ อ, เ, คะเอ่อ วันนี้เป็นเรื่องของการสากชาตินะเจ้าคะใช่ใช่เมื่อเช้าเมื่อว า, วานคือเช้าวันศุกร์เนี่ยโยมก็ได้รับฟังพระอาจารย์ได้ได้พูดคุยธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของอภ ร, รยาเกตจมพูวนะเจ้าคะหรือว่าแม้แต่คู่บุพเพสันิวาอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าคะ่ะซึ่งซึ่งโยมคิดว่า อ, อยากจะหยิบยกมาพูดคุยกราบเรียนถามวันนี้อีกครั้งหนึงเถอเจ้าค่ะ เพื่อว่าจะได้โยมในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าเผื่อไม่เข้าใจประเด็นไหนก็จะได้ซักถามพระอาจารย์ได้เจ้าค่ะใช่ปานจริงจริงอันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากนะคุณตนใจคือคือคุณตนใจบันทึกรายการเองใช่ไหมเจ้าค่ะวันธรรมดาเราก็ฟังไปด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตัวมาเองก็เหมือนกันนะคือเราก็เปิดที่เราพูดไปเนี่ยฟังด้วยอีกครั้งหนึ่งอืมเจ้าค่ะคือคือเราพูดไปแล้วเราก็ฟังไปด้วยเนี่ยคือเราจัดเองแล้วเราก็ฟังด้วยนะฟังเสียงเราเองเนี่ยนะ มันยิ่งทําให้เราเอ่อก็เรียวมีความลึกซึ้งมากขึ้นไป อ, อย่างนี้คุณเตนใจจัดราย ก, การวันเสาร์อาทิตย์ใช่่าววันจันทร์ถึงศุกร์ก็ฟังด้วยอย่างเงี้ยบางทีเรามีประเด็นอะไรจากในช่วงระหว่างวันเราก็เอามาถามในวันเสาร์อาทิตย์ได้เงี้ยเป็นลักษณะการสากษาเพราะว่าบางทีจะมาพูดไปคนเดียวใช่ป่าเราก็พูดไปแบบน้ําไหลไฟดับเลยคุณตนใจบางทีจะแบบพูดหน้าฟังเจ้าค่ะมันอาจจะไม่มีคนถามเราก็ไม่รู้ว่า คันผู้ฟังหรือใครสักคนใดคนหนึ่งสงสัยตรงไหนเราก็เข้าใจไปหมดเราก็พูดพูดไปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณตัดใจฟังวันศุกร์อย่างเงี้ยซึ่งเป็นการอธิบายพุทธวจนะในวันพฤหัสด้วยเนี่ยเอามาถามวันเสาร์อาทิตย์แหมยิ่งยิ่งเป็นการดีมากจะตอกย้ํานะจะทำให้เข้าใจมากขึ้นคือ ค, คือในช่วงของวันพฤหัสเนี่ยเราเอาพุทธวจนะมาให้ฟังจะไหมเป็นตถาคตภาษิตตอนนี้ตอนนี้เรารวบรวมเรื่องเกี่ยวกับคลาสราธรรมอยู่ให้มาให้ฟังอยู่ ว่าการะบาควรปฏิบัติตัวอะไรยังไงผู้เช่าผู้เกี่ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงบ้างเนี่ยก็ก็เลยมาอธิบายให้ฟังวันศุกร์อ่าเพราะว่าจริงๆเป็นหน้าที่ของตัวธรรมาเองกับพระสงค์ทูกรูปเลยละ่ะนะว่าจะต้องเอาสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยให้ได้ฟังนะแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้จแจ่มแจ้งอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อวันศุกร์นี้ได้อธิบายถึงเรื่องของอคู่บุพเพสนิวาสแล้วก็เรื่องของภรยาเจ็ดจำพวกเหมือนกันเจ้อือคือ คู่บุเพสนานิวาสเนี่ยพระเจ้าเคยพูดเอาไว้นะว่าสามีภรรยาสองคนเนี่ยอทําไมถึงบางคนอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ทะเลาะกันเลยรักใคร่กันมากนะเราก็มีความผาสุกทั้งสองฝ่ายครอบครัวก็มีความเจริญรุ่งเรืองอันนี้อ่าบางครอบครัวเป็นอย่างนั้นในขณะที่อีกครอบครัวหนึ่งตรงกันข้ามเลยคุณเตุนใจแต่งงานมายังไม่ทันไรเดี๋ยวนี้ก็เป็นหมอเลยนะมอไฟฟ้านะมอไฟฟ้ายังไม่ทันจะ ร้อนดีนะเจ้าค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มอวาดำเหมือนสมัยก่อนใช่ค่ะก็ก็เลิกกันแล้วเนหรือว่ามีปัญหาอ้าวทาไมตอนคบกันยังไม่แต่งงานคุณเป็นอย่างหนึ่งพอแต่งงานกันแล้วทําไมลายมันเริ่มออกอย่างนี้นะอืเจ้าค่ะผู้ชาพูดถึงคุณธรรมสอย่างที่จะต้องมีเสมอกันนะคือถ้าไม่มเสมอกันที่ไปไม่รอดนะหรือไปก็ระหองระแหงมีปัญหาตลอดนะสี่อย่างกันเนี่ยก็คือพูดถึงศรัทธา ศีลนะจาระปัญญาศรัทนธะาศีลจาระปัญญาศรัทธานี่คือความมั่นใจความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั่นคือถ้าถ้าไปคนละทางเนี่ยคือศรัทธาอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องนับถือศาสนาเดียวกันน ะ, ะแต่ศรัทธานีคานคน่คือศรัทธาในคําสอนคือศรัทธาในลักษณะของความดีนะคือสมมุติใครทําดีก็ตามไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนถ้าคุณ มีความมั่นใจในว่าเอ้ยคุณปฏิบัติตามศีลสิคุณเป็นคนดีได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าเชื่อในคําสอนของของพระพุทธเจ้าลคะคือไม่ได้เกี่ยงว่าคุณจะต้องนับถือเ mm hmm. ยซูคริสหรือว่านับถือ uh, พระอัลลาห์หรืออะไรก็ตามเนะี่ยดีหมดแต่ถ้ามีรักษาศีลด้วยอันนี้คือเข้ากันได้นะอันนี้ mm hmm. คือข้อที่ศีลเสมอกันสัตยานี่คือสัตยานในความที่พระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> ได้ทํามาความดีงานตรงนี้หนึ่ง ในข้อบัญญัติผู้เช่าบัญญัติเรื่องอะไรบรัญญัติเรื่องเมตต า, าถ้าคุณมีความเห็นลงกันตรงนี้ได้ก็ดีผู้เช่าบัญญัติเรื่องการรักษาศีลคุณมีความเห็นลงกันตรงนี้ได้ดีผู้เช่าบัญญัติให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนถ้าคุณมีความเห็นลงกันตรงนี้ได้อันนี้ดีคือนี้คือเรื่องศรัทธาเสมอการ <prototype. S 1> นะอันที่สองคือเรื่องของศีลเนะสมอการศีลเนี่ยก็คือความเป็นปกตนะิความเป็นปกติที่ผู้เช่าบอกไว้ก็มี5้าอย่าง เราคือเรื่องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รูดผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมียไรนะ่ถ้าเสมอกันมันลงกันได้ก็คือศีห้านั่นเองนะเจ้าค่ะใช่สีห้นั่นเองเบสิก ง, ง่ายๆเล ย, ยนะนเนี่ีห้านี่เป็นองค์ธรรมอีกอย่างหนึ่งนะคุณเดินใจที่ว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนเนี่ยมันไม่มีทางผิดเนะี่ยคือสมมติคุณเปลี่ยนงาน เ, าเปลี่ยนไปอยู่ต่างประเทศเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนหมู่บ้านเปลี่ยนโรงเรียนแตนะถ้าคุณมีศีเนี่ย ศีลเนี่ยเป็นเรียกว่าธรรมที่ไม่มีทางผิดอภิรากธรรมที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่มีทางจะเสื่อมเสียมีแต่จะดีท่าเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางผิดเลยถ้ า, ถ, าถ้าสามีต้องการมีศีลภร ร, รยาไม่มีศีลหรือตรงกันข้ามกันเนี่ยมันก็ไปกันไม่ได้คนหนึ่งบอกต้องโกหกศีลต้องพูดอย่างนี้อีกคนหนึ่งบอกไม่ได้ต้องโกห ก, ก, หกความเห็นมันลงกันละเดี๋ยวจะเริ่มมีปากเสียงละอย่างนี้นอีกข้อที่สามคือเรื่องของจารึกุญญาใจจารึกเนี่ยหมายถึงการให้การบริจาค าการให้การบริจาคในนัยยะที่หมายถึงสิ่งของสิ่งอะไรอย่างเงี้ยน ะ, ะไม่ใช่แก่พระสงฆ์อย่างเดียวแต่หมายถึงการเอื้อเฟื้อให้ปันกับบุคคลอื่นจะเป็นลูกน้องหัวหน้าเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆในสมมุติเราไปต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างเงี้ยเราซื้อข้าวของมาฝากคนอื่นคน น, นนั้นคนนี้อย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของจากาอเจย่างรวมถึงการถวายเงินหรือว่าถวายปัจจัยสีอันควรแก่สมณะเจริโภอกด้วยนี่ก็จากาเหมือนกัน คือทำบุญทําทานอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะใช่ใช่อย่างถ้าไม่ตรงกันมีเยอะแยะนายประมาณเคยเห็นสามีจะทําบุญพันหนึ่งภรรยาสะกิดสะกิดข้างบอกห้ารอยพอห้าพอเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันก็ไปคนละที่นะจิตตรงนั้นไปคนละที่นะคุณัวใจแล้วค่ะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะว่าเวลาเราทําบุญทําทานเนี่ยต้องมีว่าตั้งจิตก่อนทําระหว่างทําและหลังทําพอห้ามมานั่งคิดว่าไอ้เสียดายอะไรอย่างเงี้ยนาค่ะพอสามีมา พอภรรยามคขาดนี่มันอาจจะเหมือนกับบุญกุศลมันจะดังพร้อยไปสักนิดนึงเจ้าค่ะนั่นคือมันมีความเศร้าหมองนิดนึงเกิดขึ้นน่ะอืเจ้าค่ะเจ้าค่ะตรงนี้คือต้องมีจาคะสเมอกันเจ้าค่ะนะอันที่สามคือมีปัญญาเสมอกันปัญญานี้ไม่ใช่หมายความว่าต้องเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะอืเจ้าค่ะแต่ปัญญาในที่นี้ยคือปัญญาในการมีอยู่สองนัยยะนะอันแรกนี่คือปัญญาในการที่จะให้เห็นความเกิดดับและปล่อยวางได้อันนี้ที่หนึ่งก็คือแบบ ไม่ค่อยเครียดกับอะไรมากปล่อยวางได้บ้างเสมอๆกันอันนี้เรื่องแบบบางคนภรรยาเนี่เครียดเรื่องนี้มากเลยทําไมไม่ได้อย่างสมมตุติช่วงนี้จะมีต้องเตรียมการให้ลูกเข้าโรงเรียนอย่างเนี้ยภรรยานี่โหเป็นเดือบเป็นร้อดต้องพาลูกไปเรียนหนังสือต้องสอนติวกันบ้านแต่างๆลูกแต่สามีก็เให้เป็นไปตามปัจจัยอย่าไปเครียดมากแสดงว่าอันนี้ไม่เสมอกัร์ละนะปัญญาไม่เสมอการ์ล ะ, ะมีการปล่อยวางได้ไม่เท่ากัน ะะอีกในายะที่2เรื่องของปัญญานี่คือเรื่องของการที่จะเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควทรทํา <Bis S 1> อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอะไรเป็นสิ่งที่ควรเว้นอะไรเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นปัญญาเสม อ, อกันทีนี้ถ้าเผื่อว่าไม่เสมอกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสี่อย่างนี้ถ้าไม่เสมอกันเนี่ยคือเอาพูดถึงพบปัจจุบันก่อนก็จะมีปากเสียงกันล่ะฉันเห็นอย่างนี้เธอเห็นอีกอย่างนึง่งทำไมไม่ไม่เสมอกันมันก็มีการติดขัด นะเหมือนเวลาเรากินอาหารเสร็จใหม่ๆนะคุณเทอใจค่ะมันมีอะไรมาติดฟันอยู่เนี่ยมันจะพูดมันจะอะไรมันติดฟันมันขัดขัดอยู่เสมอนะเจ้าค่ะหรือเราจะเดินไปไหนเนี่ยมันก็มีอะไรมาขัดเท้าขัดเท้ามันก็มันมันอะไรมันติดอยู่ที่รองเท้าเนี่ยมันจะเดินไม่ราบรื่นเจ้าค่ะอต่ไม่ถึงกับหกล้มหรอกแต่มันจะติดขัดอ่าอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของงี้เจ้าค่ะหรือว่าเราเดินไปไหนเดินผ่านประตูเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีตะขอติดขัดเราอยู่เนี่ย มันก็เกี่ยวมันก็มันไปไม่สะดวกไว้นั่นครอบครัวจะเป็นอย่างนี้คือไม่ราบรื่นนะไม่ราบรื่นจะเป็นอย่างนี้เราเห็นได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าสามีภรรยาตรงนี้ไม่ตรงกันคุณต้องปรับแต่ถ้าปรับไม่ได้คุณต้องอคือคุณต้องปรับอ่ะมีทางเดียวคุณต้องปรับถ้าแต่มาจะบอกให้เลิกกันนี้ก็ไม่ใช่วิสัยที่สัมนาจะทําไม่ได้เราจะไม่แนะนําอย่างนั้นคือเราต้องแนะนําให้สามะขี่กัน ต้องพยายามปรับตัวเขา้าหากันนะคร<ช>ับคือมันไม่มีอะไรที่จะมายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคุณตนใจฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันไม่เปลี่ยนหรอกโอ้คุณพูดอย่างนั้นไม่ได้นะคือคุณยิ่งยิ่งจะแย่หนักนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องยึดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็ปรับเปลี่ยนซะไหนดีเราก็ทําแค่นั้นเองค่ะอีกประการหนึ่งคือถ้าสมมุ ต, ต, ติตายจากโลกนี้ไปเนี่ยตายจากโลกนี้ไปเนี่ยคนสมมุติว่าเขาทําความดีพ อ, พอทําความดีทั้งกู่เป็นคนดีอะนะ แต่ <lighthouse. S 1> มีสี่อย่างนี้ไม่เสมอ ER กันเนี่ยอสามีก็จะไปทางหนึ่งภรรยาก็จะไปทางหนึ่งล่ะจะไปเกิดในสวรรค์ที่ไม่เท่ากันอืมเจ้าค่ะอย่างคนที่มีศรัทธามากก็จะไปเกิดในชั้นที่สูงกว่านะคนที่มีศรัทธาน้อยเป็นต้นนะค่ะสมมุติว่าสามีมีศรัทธาน้อยนะไปเกิดในสวรรค์นนชั้นดาวดึงอย่างนี้อภรรยามีศีลมากมีจาระมากด้วยอ่ไปเกิดในชั้นดุสิตอย่างเงี้ยชั้นดุสิตกับชั้นดาวดึงนี่โอโ้โหคนละอายุคนละเรื่องกันแล้วนะ อ, อายุของเทวดาบนสวรรค์นเนี่ยแล้วถ้าเขามาเกิดบนโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดบนคนละช่วงเวลาละคนละช่วงเวลาละเพรา ะ, ะว่าอายุของเทวดามันต่างกันไปนะอืมใช่ค่ ะ, ค, ะคือไม่ไม่ไม่ไมไมีโอกาสที่จะมาเจอกันอีกอะนะนช่ไหมยากยากจะไม่ค่อยเจอกันทีนี้บางคนอาจจะสงสยัยว่าอ้าทำไมฉันเจอเนื้อคู่กับที่ฉันอยู่ปัจจุบันอืมเจ้าค่ะคือไม่ดีเลยอย่างงี้นะ อันนี้ยมก็อยากจะถามมาเจ้าค่ะเพราะว่ามีหลายคู่แต่งงานนะเจ้าค่ะก็จะเป็นว่ามีปากเสียงกันทะเลาะกันเป็นประจำเลยแต่ก็ยังอยู่กันยืดเจ้าค่ะมีลูกเต้ามากมายอันนั้นเขาก็เาก็เห็นเป็นดึงนะเจ้าค่ะอะไรดึงเขาไว้เจ้าค่ะแล้วอะไรที่ทำให้เขามาติดกันตั้งแต่ตอนแรกมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนแรก เจ้าค่ะอั น, นิยมโยมอยากจะข อ, อะกราบนักการเรียนถามด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าโ ย, ยมเคยได้ยินนะเจ้าค่ะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่จะมาเป็นคู่กันนะเจ้าค่ะจะมาเจอการแต่งงานกันเนี่ยแสดงว่าในชาติพบก่อนก่อนเนี่ยต้องเคยทําบุญร่วมกันมาคือต้องต้องเคยมีอะไรที่ผูกพันกันนะเจ้าค่ะอตอนนี้มันเหมือนกับเป็นสองทางนะเจ้าคะนิยมถามแบบชาวบ้านว่าในเมื่อผูกพันกันมาเนี่ยดังนั้นก็ทํา ในชาตินี้ก็บุพเพสันนิวาตก็ทําให้มาเจอกันแต่ว่าสําหรับคู่ที่อาจจะมาตีกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาอาจจะเขาจะพูดว่าเหมือนกับมีกรรมที่จะต้องใช้ต่อกันและการอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอกราบเรียนถามตรงนี้ยเจ้าค่ะว่าเอ๊ะทำไมถ้าเผื่อเกิดทําดีมาแล้วจนกระทั่งมาเจอกันใช่ไหมเจ้าค่ะ เพราะว่าการที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าถ้าถ้าทําแบบบุญต่างกันมีศีลศรัทธาจารค้าปัญญาต่างกันเนี่ยก็จะไม่ไม่เจอกันเพราะว่าเจ้าค่ะเพราะว่าอยู่กันเหมือนกับคนละภพภูมิแบบนั้นเจ้าค่ะคือห่างไกลกันแต่ตอนนี้ทําไมในปัจจุบันเราถึงได้เห็นว่ายังมีอยู่อ่ะเจ้าค่ะตังนี้อยากอยากจะให้อธิบายเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพูดถึงกรณีที่ได้ยกพระสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยนะพระเจ้าพูดถึงคนที่จะมาเจอกัน นคนที่จะมาเจอกัน่ยจะต้องเป็นอย่างนี้นะคือเจอแล้วดีนะเจอแล้วดีอันนี้พูดถึงคนคู่ที่มันดีๆก่อนน ะ, ะคู่ที่ดีๆเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องมีศรัทธาศีลจาระคะปัญญาเนี่ยเสมอกันแน่เราไปตรวจสอบดูเอาคู่ดีๆทั้งหมดมาไม่เคยทะเลาะกันครอบครัวรุ่งเรืองลูกเต้าออกมาดีนะมีการเจราจาคํำน่ารักต่อกันและการมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะมีคุณธรรมสี่อย่างนี้เสมอกัน <น>บอกให้ได้เลยว่าที่เขามีคุณธรรมสี่อย่างนี้เสมอกันเนี่ยชาติก่อนก่อนเนี่ยเขาก็ทำอย่างนี้มาแล้วเคยเจอกันมาแล้วนะพวกที่ดีๆก่อนนะเอาพวกที่ดีๆก่อนจคพวกที่ดีๆเนี่ยไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นแหละที่เขาจะมาอยู่เป็นคู่กันนะอันนี้จากพระสูตรเนี้ยเราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ว่าอ๋อมีความเป็นไปได้นะที่เขาจะเคย เ, เป็นสามีภรรยากันแล้วในชาติก่อนปุก่อ น, นะแล้วก็มีศีลสถาป จะค้าปัญญาเสมอ e: กันนะก็เลยมาเจอกันในพบนี้อีกนะพบก่อนก่อนก็จะเป็นอย่างนี้อีกพบต่อไปไม่ต้องพูดถึงนะตามพระสูตรนี้ก็น่าจะมีเป็นอย่างนี้อีกนะแต่ามาพูดถึงความน่าจะเป็นนะถ้าใครมีเครื่องตรวจสอบก็ไปตรวจสอบได้ใครคไม่มีเครื่องตรวจสอบอ่านพระสูตรนี้ดูก็สามารถน่าจะเรียกว่าอนุมานได้จุกค่ะทีนี้พูดถึงคนที่มันเจอแล้วไม่ดีเช่นว่าพูดกันไม่ดีไม่มีความเจริญรุ่งเรืองแต่งงานแล้วทำไมแย่ลง หรือไม่ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นความผาสุกไม่เกิดขึ้นเลยทั้งสองฝ่ายลูกเต้ามีปัญหามีใจร้ายต่อกันเอ๊ะทำไมมาเจอกันอีกเจ้าค่ะหรือมีการสาปแช่งกันด้วยว่าชาติหน้าฉันไม่มาเจอแกอีกแล้วอย่างเงี้ยนะเออเจ้าค่ ะ, ะบางบงรายลงไม้ลงมือด้ว ย, วยเจ้าเออ ก, อกอ็ให้มีความมั่นใจเลยว่าถ้าสมมุติว่าอชาติหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันอันนี้เป็นความเป็นไปได้ะนะเพราะว่าศรัทธาศีลจักะปัญญาเราไม่เสมอกันละอ่า ทีนี้พอไม่เสมอกันแล้วจะไปเจอกันเนี่ยมันจะมันจะไม่เจอล่ะเอาแต่ทําไมว่าทําไมเรามาเจอเขาในชาตินี้า่ะคือชาติก่อนพบก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะอันนี้คือแน่แน่นอนนะอาจจะเป็นศัตรูกันมาก่อนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนอาจจะเป็นคนรู้จักกันเฉยเฉยอาจจะเป็นคนต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรก็ต่างก็ตามนะแต่ที่ทําไมมาถึงมาผูกพันกันในพบชาติปัจจุบันอันนี้พูดได้เลยเพราะว่าผู้ชาบอกว่าสัตว์เนี่ย ที่ไม่ได้เคยเกิดเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยมันไม่มีหรอกในสังสารวัตเนี่ยอืมันมันมีหมดนะมันมีหมดเพราะว่าสังสารวัตเนี่ยถ้าเราสืบทวนย้อนกลับไปเนี่ยมันไปได้ไม่จบไม่สิ้นมันก็จะมีชาติใดชาติหนึ่งที่เคยมีความสัมพันธ์กันอย่างได้ย่างหนึ่งกันมานะแล้วไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยอมันก็วนเวียนไปอยู่ในสังสารวัตรนะคุณเตือนใจนึกออกไหมสังสาระเนี่ยวัฏตะเนี่ยแปลว่าวนเวียนนะ เป็นที่วไปวนมาอ่าวนไปวนมาวนไปวนมาเรื่องเก่าเรื่องเดิมซ้ําไปซ้ํำมาอย่างเงี้ยไม่มีวันจบอันสิ้น <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นบางทีเกิดเป็นอย่างนั้นบางทีเกิดเป็นอย่างอื่นบางทีมาเจอกันบ้างบางทีอ่าหายกันไปบ้างก็มีที่ว่าเขาต้องมาลงเอ่ยกันเนี่ยเหตุปัจจัยก็คือเพราะว่ากามนั่นเองนะกามเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นและกายนะไม่ใช่เรื่องของสามีภรรยาเรื่องของคนคู่อย่างเดียวนะ แต่คือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูก ล, ลิ้นกายทำไมฉันต้องมาแต่งงานกับเธอเอาเพราะคุณคิดว่ า, ถ, าถ้าเราจะอยู่ด้วยไม่แต่งงานก็ได้คือหมายว่าไม่ต้องมีคู่เลยอยู่คนเดียว <Okay. S 2> อยู่โสดก็ได้แต่เพราะคุณอยากจะแต่งงานเพราะคุณอยากจะแต่งงานมีคนนี้โผล่ขึ้นมาพอดีเอาจาับพระจูปุ้งก็เลยต้องแต่งงานกันแล้วก็เลย<ช>มีปัญหานะนะเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นาการบริโภคกามอย่างหนึ่งของคนในโลกนะทุกคนในโลกคุณตัดใจคิดดูสิเพลงรักเอ่ย หนังทีวีละครน้ํานาวะรต่างๆก็จะจบลงด้วยอ่ะทุกคนแต่งงานมีความสุขเพราะคุณนี้ว่าแต่งงานแล้วจะมีความสุขเจ้าแต่คุณดูได้ไงแต่งงานแล้วมีความทุกข์ก็เยอะแยะเกินครึ่งด้วยซ้ําที่ว่าเขาเลิกกันนะค่ะในบางประเทศหกสิเอร์ซนตะเขาเลิกกันนะไลที่อยู่ด้วยกันสี่สิบเอร์เซนก็มีความมีความสุขก็แค่นิดเดียวที่ไม่มีความสุขก็ตั้งเยอะเอ๊ะทำไมบางคนแต่งงานมีความสุขอะส่วนใหญ่มันแต่งงานไม่มีความสุขแล้วเนี่ยเจ้าค่ะเพราะเราถูก ถูกสะกดจิตโดยโดยสังคมไงทําให้เรารู้ว่าอ๋อเนี่ยแหะคือกรรมที่เราต้องเสพเพราะฉันต้องแต่งงานสิจบมาเรียนจบมาทํางานแล้วก็ต้องแต่งงานสิไม่แต่งงานมันไม่ได้นะนเหมือ น, น<ป>มันขาดอะไรไปเัอเป็นเกย์หรือเปล่าหรือเป็นทอมหรือเปล่าก็จะตราหน้าค<จ>นอื่ซึ่ง<น><ต>ไม่ถูกเลยไงก็จึงต้องบอกว่าเพราะการมเป็นเหตุเพราะการมเป็นเรื่องก่อเพราะการมเป็นเรื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการมนั่นเดียวแนะคนถึงจะต้องมาลงเอยแบบนี้คุณไม่รู้เลยว่ามีทางเลือกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ ต้องแต่งงานต้องเยอะแยะเช่นมาบวชเป็นต้นค่ะหรืออยยอยู่โสดก็ได้มีเพื่อนดีๆไม่จำเป็นต้องแต่งงานก็ได้โชคค่ะ อ, นนอันนี้เามาพูดถึงว่าทําไมคนถึงต้องแต่งงานกันเอาแค่ในภพชาติปัจจุบันนะ ะ, ะเรื่องที่มันเคยเจอกันเคยพบกันเนี่ยมันมีแน่นอนมันมีแน่นอนในสังสารวัตที่ไม่เคยเจอกันพบกันไม่มีหรอกค่ะถ้าเราเจอกันพบกันดีมันก็เป็นธรรมดาเนาะทีนี้ ถ้าเราเจอกันพบกันแล้วอ่ะเราเราตกอยู่ในอำนาจของกลามแล้วเราเรายอมรับแล้วนไม่งั้นมันมันไม่เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้นะจึงต้องจะพูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเป็นเสมือนคล้ายๆกับชุมทางนะคุณเตือนใ จ, จชุมทางเนี่ยคือพบมนุษย์เนี่ยนะเป็นเหมือนกับอย่างจังหวัดสระบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่เรียกว่าจะแยกไปภาคเหนือก็ได้จะแยกไปภาคอีสานก็ได้ใช่ไหมถ้าใครขับรถมาจากกรุงเทพจะมาจังหวัดอุดรเนี่ยคุณต้องเลี้ยวขวาที่สระบุรีนะ สตรอบุรีเนะี่ยเราไปดูนะจะเป็นชุมทางชนิดที่ว่ากรมทางหลวงเนี่ยเขาจะมีะเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานของอบริเวณที่เป็นชุมทางจะต้องมีสะพานลอยข้ามต้องให้รถพื้นผิวถนนต้องเป็นมาตรฐานอย่างนี้ต้องมีป้ายชัดเจนบอกล่วงหน้ากี่กิโลกี่กิโลต้องมีทางแยกทางอ้อมทางบายพาสนะเราก็จะต้องมีเครื่องหมายการจราจรคือถ้าตรงนี้ตันมีอยู่บริเหตุต้องไหลไปทางอื่นได้ นะ ค, คือไม่ให้มันบล็อกไม่ให้มันติดกันอยู่ตลอดเวลาแต่ต้องมีทางแยกทางอะไรนี่คือลักษณะของชุมทางนะมนุษย์เนี่ยคุณเดินใจเป็นเป็นชุมทางเนะที่คุณจะไปต่ําก็ได้คุณจะไปสูงก็ได้เนะี่เป็นตรงกลางกลางน ะ, ะตามคือคุณไปนู่นนะรกําเนิดเดรัจฉัยไปวสิสแบบัยไปวิสัยสมมุติคุณมาอยู่ด้วยกันแล้วคุณปรากฏว่าทําสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะทําสิ่งไม่ดีเนี่ยคุณนู่นแหละไปนรกไปที่ที่ไม่ดีนะี่ยเป็นทางเลือกเราเลี้ยวปิดทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่ไม่ดี พระพุทธเจ้าให้เลี้ยวขวาแตนะ่ถ้าเจอทางแยกเนี่ยเป็นตัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยนะให้เราเลือกทางขวาทางขวานี่คือสัมมาทิฐินะคือทางขวาคือทางทําดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคู่ที่ไม่ดีเอามันจับพัดจับปูมาแล้วอะ่ะลูกก็มีแล้วแต่งงานกันมาแล้วว่าเราตกอยู่ในอำนาจของกามแล้วสู่การรมเคี้ยวกินไปแล้วทําไงดีเราแก้ไขไดนะ้แก้ไขนิ่มไปถึงว่าไม่ใช่ให้เลิกกันนะแต่พยายามให้ปรับกันนะเอาเรามีศีลก่อนนะก็ไม่มีศีลไม่เป็นไร เนะีเรามีจักรค้ามีการให้การบริจาคมนะีเขาไม่มีไม่เป็นไรนะีรถึงจะต้องคอยมาดูว่าเออเราจ ะ, ะเป็นภรรยาประเภทไหนในเจ็ดประเภทสมมติถ้าเป็นฝ่ายผู้หญิงอะนะ <Okay. S 1> ฝ่ายผู้ชายก็จะต้องเป็นปรับตัวให้เป็นคนที่มีสีมีสัตามีจักรค้ามีปัญญานะี่ยพระเจ้าจึงพูดถึงปัญญาภรรยาเจ็ประเภทเนะที่เธยถามนางสุชาดาไว้นะว่าเป็นภรรยาประเภทไหนนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ามาฉันอาหาร ที่บ้านของอนาต่าบินทิกาเศษรษฐีแล้วก็นางสุชาดาเนี่ยเป็นสพายในเรือนบดีแล้วก็เลยไม่เชื่อถือไม่ฟังคําแม่ผัวอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยมีปากเสียงกันนะพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาอบรมโดยการถามว่าเป็นปรยาประเภทไหนนางสุชาดาก็เลยไม่เข้าใจอภรยาประเภทไหนฉันไม่เห็นเคยเรียนมาเลยเขาไม่ได้สอนในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะอ่าก็มีอยู่7จําพวกพุทธเจ้าบอกนะภรยาเสมอด้วยโจรภริยาเสมอด้วยนายภริยาเสมอด้วยแม่ ภรายาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวภริรายาเสมอด้วยเพื่อนหรือภรายาเสมอด้วยนางทาสีคือนางทาตอย่างเงี้ยโจค่ะภรายาเสมอด้วยโจรเป็นยังไงนะผู้ชาพูดถึงสามอย่างแรกก่อนนะภรายาเสมอด้วยโจรภรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตแล้วก็ภรายาเสมอด้วยนายภรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตเนี่ยก็คือยินดีในชายอื่นนะดูหมิ่นสามีนะพยายามที่คิดจะฆ่าผัวนะ <pall am S 2> วางยาพิษอะไรพวกนี้เราก็เห็นในละครน้ำเน่าเยอะแยะนะ ชีวิตจริงก็มีบ้างใช่ไหมเจ้าค่ะลงหนังสือพิมพ์อยู่ค่ะแบบเนี้ยนะก็ไปนรกแน่นอนนะถ้าเลือกที่จะเป็นภริยาแบบนี้นะหรือภริยาแบบที่สองนพอสามีประกอบกิจการงานใดๆมาได้เนี่ยก็คิดจะยักยอกทรัพย์นะมีอยู่น้อยก็คิดจะเอานะยักย่อกับเก็บไว้ให้ดีไม่เหมือนกันนะยักยอกนี่คือยักยอกจะเอาเป็นของตัวเองในอย่างนี้คือเรียกว่าภรยาเสมอด้วยโจรอันนี้ก็ไปไปนรกเหมือนกัน อืมเจ้าค่ ะ, <ล>ะคอยใกลๆว่าคอยเม้มมาบ้างอะไรบ้างอ่ า, อาใช่ใช่ใชแคือพ่อบ้านบางคนก็มีเท่าไรเข้มา ก, ก็ให้ให้แม่บ้านเก็บหมดอย่างเงี้ยนะถูกค่ะก็ดีเก็บไว้ก็ดีทีนี้ถ้าแม่บ้านเนี่ยคอยรักษาทรัพย์ก็จะเป็นปริหา่ประเภทหนึ่งแต่ถ้าคอยยกักยอกเนี่ยไม่เหมือนกันอืมเจ้าค่ะประเภทที่สามก็คือเป็นคนขี้เกียจนะปากร้ายปากกล้ า, า, ก, ากินมากกล่าวคําหยาบคมขีพวนะพวขยันขันแข็งทํางานเมียนี่ ไม่ทำชี้นิ้วอย่างเดียวนะเตะที่ปากร้ายมีแต่สังสังขี้บ่นด้วยเจ้าค่ะอันนี้พรรยาแบบนี้เสมอด้วยนายพรรยาอย่างนี้ต้องให้อมน้ําหลวงพ่อบอกอเป็นไงเจ้าค่ะให้อมน้ําตื่นเช้ามาอมน้ําไว้ก่อนเลยนั่นจะได้ไม่ต้องบ่นมากนะพอใส่สายออกแล้วเก้าโมงสิบมงค่อยไขาน้ําออกคือถ้าถ้าอมน้ําไว้แล้วจะบ่นเนี่ยน้ำก็จะโผล่มาใช่ไหมอ๋อเจ้าค่ะก็ให้อมน้ําไว้ก่อนเลยในเช้า เป็นวิธีดีมากเป็นวิธีของหลวงพ่อแนะนําภรรยาบางคนเจ้าค่ะเจ้าค่ะสามประเภทนี้นะคือทําแล้วไม่ดีเราอยากเป็นอย่างนี้เราเลือกได้นะเราเลือกได้เจ้าค่ะนะอีกอ่าสี่ประเภทหนึ่งนะก็คือว่าอ่าเป็นผู้เหมือนกับว่ามารดานะก็คือคอยรักษาเหมือนกับมารดารักษาบุตรเนี่ยรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้อย่างมารดาบิดาเนี่ยเก็บทรัพย์ไว้ให้ลูกในอนาคตอย่างเงี้ยนะพอถึงเวลาก็มอบทรัพย์ให้ตามเวลาก็รักษารักษาอย่างนี้ คอยเลี้ยงดูคอยเอาอกเอาใจคอยประคบประงมเหมือนกับมารดารักษาบุตรอันนี้ก็เรียกว่าภรรยาเสมอด้วยมารดา อ, อ, อส่วนอีกประเภทหนึ่งที่ดีก็คือภรรยาที่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวมีความเคารพในสามีอย่างคนที่มาปฏิบัติธรรมบางคนที่วัดป่าต<จ>่อสายโสงเขามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมใช่ไหมสามีเขามาไม่ได้อย่างเงี้ยมาไม่ได้ครบ7วันเนี่ยเขมาแค่สองสามวันอย่างเงี้ยพอเขาเห็นสามีเขาก็ไปไหว้าสามีอย่างเงี้ย เขาก็เป็นภรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวนะคือมีความเคารพในสามีตนเป็นคนละอายต่อบาปเป็นไปตามอำนาจของสามีอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะที่ดีก็คือจะไปสวรรค์พวกนี้นะอีกประเภทหนึ่งนะที่จะไปสวรรค์ประเภทที่สามก็คือว่าอ่าเป็นเสมอด้วยเพื่อนนัะคือสมมุติว่าคุณตือนใจเจอเพื่อนที่จากกันไปนานโอ้ยมาจากโรงเรียนเก่าเดียวกันนะคุยกันมาเจอกันไม่ได้เจอกันนานนานเจอกันเนี่ยก็คุยสนุกสนาน ถามเรื่องราวเก่าวๆเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเนี่ย ค, คือเป็นลักษณะของปริยาประเภทนี้นะคือเห็นสามีแล้วก็ชื่นชมยินดีนะเหมือนเพื่อนที่จากกันไปนานแล้วกลับมาเจอกันอย่างเงี้ยมีศีลปฏิบัติสามีอย่างดีอย่างเงี้ยเรียกว่าปริยาเสมอด้วยเพื่อนโชค่าส่วนข้อสุดท้ายนัปนภริยาเสมอด้วยนางทาสีนะก็คือเป็นเหมือนนางทาสสามีจะเคี่ยนตีขู่ตะคอกก็ไม่กโกรธไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามีอดทนได้ เป็นไปตามอำนาจของสามีอันนี้เรียกว่าภรรยาเส ม, มอด้วยทาสีอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีนะคุณดุนใจสมมุติว่าสามีเราเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยด่าว่าภรรยาอ่าเราจะทําไงดีะผู้เช้าให้ใช้โอกาสนี้ในการที่จะเป็นภรรยาที่เส ม, มอด้วยนางทาสีคือนางทาสนางทาสีนางทาทําไ ง, าางาคือเจ้านายถีบเตะด่าว่าก็ไม่โกรธต้องอดทนนะจ๊ะอดทนได้นะเป็นไปตามอำนาจของสามีคือใช้ วิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นโอกาสในการที่จะทําให้เรามีความอดทนในการที่เราจะได้พบภู่ใหม่ที่มันดีกว่านี้ในการที่เราจะได้เป็นคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภรยาสมรลุทาสีอย่างนี้นนะเจ้าค่ะทนีนี้ที่พระอาจารย์พูดมาหรือว่าสากักัญชามานะเจ้าค่ะท่นี้ในฐานะที่โยมเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเจ้าค่ะแล้วก็มีสามีเหมือนกันก็คือว่า ทราบและก็เข้าใจว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้เมตตาที่จะสั่งสอนภ ร, รยาหมายถึงว่าผู้หญิงทั้งหลายนะเจ้าคะว่าตัวเองเนี่ยพอไปเป็นภรรยาแล้วเนี่ยมีอยู่เจ็ดจำพวกนะจะเป็นพวกไหนที่จะต้องถึงจะเป็นที่ที่รักที่ที่ดีคือเป็นภ ร, รยาที่สามีต้องการน่เจ้าคะ่ะแต่ที่พอมานยุคปัจจุบันเนี้ยเจ้าคะ่ะโยอยากข อ, อกราบนักการเรียนถามว่า ผู้ชายที่ไม่ดีก็มีเยอะนะเจ้าค่ะใชใ่ก็มาหลอกลวงผู้หญิงบ้างใช่แล้วมาปลอกลอกบ้างใช่เจ้าค่ะบางคนก็เช้านี่เขาเรียกว่าเอาเตะ แบบที่คงเหน็บข้างฝ้าไว้กลางคืนค่อยแกะออกมาอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะมันก็มีคําพูดระหว่งางชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะบางคนกเ็เล่นการพ น, นันอะไรไม่ทํางานก็มีนะเจ้าค่ะอันนี้นี่โยมกราบ เ, เรียนถามเจ้าค่ะว่าแล้วสาหรับผู้ชายนี่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพุทธองค์เนี้ยได้ได้สั่งสอนไว้บ้างไหมเจ้าค่ะว่าควรจะเป็นสามีประเภทไหนเจ้าค่ะอ๋อมีมีเจ้าค่ะคือเรื่องของผู้ชายเนี้ยพระเจ้าสอนไว้เยอะ คือจ ะ, ะไม่ได้ว่าจํากัดเฉพาะว่าเป็นสามีประเภทไหนจะไม่ได้มีบ่อยอย่างนั้นจะบอกว่าเอออย่าไปเล่นการพนันนะมีอบายมุกสี่จำพวกนะให้เป็นคนสนใจการทํางานมีเยอะแยะไปหมดเลยคุณจะทําประเภทนี้อซึ่งซึ่งตรงเนี้ยทาให้เราเห็นว่าไอ้คุณคุณจะเลี้ยงครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ว่าะจะพาครอบครัวดูเนินไปได้เนี่ยมันต้องสอ ง, สองฝ่ายนะสามภรรยามีเ ฉ, าเฉพาะจอดจงอยู่อย่างนี้นะสามีก็มีหมดทําเยอะแยะไปหมด นะเช่น ว, ว่าให้ขยันถมากินหลีเลี่ยงเอาใบยมุกเจ็ดจำพวกให้คบเพื่อนดีให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองในการที่จะคอยรักษาภรยาอย่างไรบ้าง6กอย่างก็มีบอกไว้เจ้านะค่ะทีนี้เสียดายจริงๆเวลาหมดเจ้าค่ะต้องคุยกันต่อพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์นะเจ้าค่ะในเรื่องของส า, า, ามีได้อยู่ใช่ใช่เจ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังว่าเวลาหมดจริงๆแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าอย่างที่พระอาจารย์ภับูรณอภิปโนท่านได้พูด คุยเชิญชวนท้ายรายการธรรมาราปรุณในทุกๆช้าว่ารายการของเรานั้นก็จะมีของขวัญให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านก็เขียนจดห ม, มายมาเรียกว่าใส่ซองกันกระแทกแล้วก็ปิดสแตล ม, มา9วาบาทส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าคะในนามของรายการธรรมาราปรุลถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดงกรุงเทพ1น0่0เราก็จะจัดส่งไปให้นะเจ้าคะซึ่งก็เป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นธรรมทานใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ส<ศ>าธุเจ้าคะ่ะก็วันนี้ก็คงจะต้องพาท่านผู้ฟังกราบน้ำพัสการลาก่อนเนะเจ้าคะพรุ่งนี้เช้าตีห้ก็จะมาได้รับฟังพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนแห่งวัดป่ารอนายโก ตำบลดอนไหโ่โศกอำเภอหนองหานจงังหวัดอุดรธา น, นีได้สากรชากันใหม่นะเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตฟาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไถโศกเพียงแค่นี้กราบน้อมสักการลาเจ้าค่ะเรียนพราาทุเจ้าค่ะ